ท่านสาธุชนมุตตวริษัททั้งหลาย <c oughs> คืนนี้ก็มาพบกันอีกตามปกติในเวลาสามทุ่มครึ่งกล้ๆอย่าลืมว่าการพูดนี้ไม่ได้บังคับให้ฟังจนกระทั่งจบถ้าหากว่าท่านจะฟังฟังไปแล้วก็มีอารมณ์เคลิ้มหูฟังเสียงใจนึกถึงภาพที่พูดเสียงที่พูด ใจเราไม่เอี๊ยดทีละน้อยแต่น้อยมือลมเคริ้มก็อย่าหลับก็จะดึงเอาไว้ไปล่อยให้หลับไปเลยถ้าหากว่าหูฟังธรรมใจตั้งใจรับฟังเสียงที่พูดยังทั้งเกิดอารมณ์เคริม้มแสดงว่าจิตเริ่มไปสมาธิทีละน้อยแต่น้อยถ้าจิตเข้าทึ้งชานจะตัดหลับทันที ถ้าลหลับลงไปในขณะ น, นี้ก็ถือว่าจิตทรงฌานในธรรมะที่รับฟังตลอดเวลาถึงตื่นนอนกี่ชั่วโมงถือว่าทรงฌานทรงฌานเท่านั้นชั่วโมงเป็นการได้กาไรมากรงความว่าเราก็มาสากัดจิตไม่ให้วุ่นวายไปในอารมณ์อื่นนอกจากฝ่ายธรรมะถึงกว่าจะหลับถือว่าเป็นมหากุศล การปรารคุยกับรรดาจันพุทธศาสนเพื่อกับชนวันนี้ก็เลยขอนําตัวอย่างผู้คนตัวอย่างสักท่านหนึ่งมาปรารถนาให้ฟังแต่ว่าขอทุกท่านจงอย่าลืมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดคำว่าอุปกิเลดในพุทธบริการ ส, สูตรส่วนนั้นทั้งหมดพยายามลิดออกจากใจความดีใดที่ถึงกับพีก็ถึง ถ้เ ก, กิดก็ดีถึงเปลือกก็ดีถึงกระพี่ก็ดีถึงแก่ก็ดีพิองสงเด็จปิณณ ส, สีทรงสรรเสริญพยายามรักษาอารมณ์นัอนอารมใจนั้นไว้ให้มัน่นคงจะดำรงอยู่ในด้านของความดีแล้วก็จะเป็นพระอริยเจ้าไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุภเพิวาสานสุสติญาณการมลุกฉาิ แล้วก็ที่ย์คุยานรู้จุปูปปาดิยานที่รู้ว่าคนณสัตว์ก่อนจะเกิดมาจากไหนพอยิ่งข่าวเขาตายเราทราบได้ทันทีว่าไปไหนยานดังสองรการมีองค์สมเด็จพระจอมไตรรยยสงสเสริญปิยานชาห้มากเพิ่งกับเป็นการตักกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหารค่อยๆทำไปแต่ยดอมเมามันในความเป็นพระอธิยะ เราถือว่าเราปฏิบัติตามพระอริยเจ้าแต่เราจะไม่ยอมเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นพระอดียะถ้าเข้าใจตามนั้นอารมณ์จะหลงถ้าอารมณ์หลงเกิดขึ้นเรายังดีไม่พอแต่คิดจะดีแล้วนั้นอบายะพมจะเล่นเราถ้าเราสามารถคุมอารมณ์เขาไม่โสดาบันไม่ได้คือหนึ่ง มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายในการนี้สองถ้าตายเราจะไม่ยอมไปอบายภูมินั่นก็คือจะยึดความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่คลายความครพนับถือเชื่อทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ย่อยส่งศีลให้บริสุทธิ์สำหรับศีล น, นี้ครัาวัด ถ้าแค่สิ้นห้านะ่าไม่พอจะต้องเอากำบทสุาเข้ามาบวกด้วยไม่เะีนั้ น, นด้านวาจาจะไปสร้างความสะเทียนใจบุคคุอื่นเขา้าความเป็นพระอริยเจา้านี่เขาไม่พูดให้ใครสะเทียนใจมีแต่ใช่วาจาอ่อนหวานวาจานิ่นโนวนต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาทาัตเถรเจ้า ไม่เคยใช่วาจารใดให้สะเทือนใจใครเลยคนที่ยังใช้วาจารระเทือนใจชาวบ้านอยู่ก็ถือว่ายังไม่ใช่สาวกองค์สำรัจพระบรมครูอาจจะเป็นผู้มึ่งทำลายความดีของพระพุทธเจ้าก็ได้ฉะนั้นด้านศีลต้องใช้มีกรรมบดเิด็รองดุด้วย ฆราวาสหนึ่งไม่ค่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดในการมสีไม่ดื่มโซรามรัยมีอด้านกายส่วนด้านวาจาหนึ่งไม่พูดปดพูดแต่าวาจารจริงสองไม่พูดวาจาคำหยาบใช้วาจาอ่อนหวานนิ่มนวลเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเขาบุคคลผู้รับฟังแล้วก็สีไม่ใช่วาจาเป็นเครื่องเสียดสี ทำาไมเขาแตกเร้ากันยุยงจะแข่งแสไม่นินทาชาวบ้านแล้วก็สี่ช 4. ใช้เฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่พูดถ้าควบคุมวาจาได้อย่างนี้การกระเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังไม่มีเราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขถ้าเรายังใช้วาจาให้กระเทือนใจชาวบ้านะบุคคลอื่นอยู่ ก็สแสดงว่าเราต่อต้านคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเราไม่ววได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงเราโม่งทาลายพระพุทธเจ้านั่นเองคือพระศาสนาพระพุทธเจ้านี่พพุทธเจ้าบอกไม่มีใครทําลายหรอกคนที่ทําลายก็คือพิสุพิสุนีอุบาสกอวสิกาซึ่งเป็นลูกของท้าทาคตเองดังนั้นรับบ้านจิตใจก็ หนึ่งคิดว่าเราจะไม่เพ่งเล็งโลกซึ่งชื่อเรามนุษย์สโลกือว่าโลกพมโลกไม่มีความหมายสำหรับเราเอ็นแดนที่ไม่มีความสุขจริงเราไม่ต้องการเราต้องการานิพพานถ้ายกำลังใจของเรานั้นตั้ประกอบด้วยความเมตตาปราณีจะไม่คิดประทุษร้ายเข่งฆ่าใครทำลายชีวิตใครสร้างให้กคนอื่นลาบาก แล้วก็ทําความให้มิถูกตามทพิ อ, องสมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่ะพาเจ้าทรงสั่งสอนคือทําลายสังโญญาสิบราการให้พินาศไปอันดับแรกทําลายมิวอนห้ารายการก่อนแล้วต่อไปก็มองทาลายสัโยานอกจากมิวอนห้าราการก็ดีสังโยญกาดีจะไม่พูดแค่เสร็จหลัง คุยกลางคืนหลังต่อไปซื่งนี่คุยทุกคนตัวอย่างคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีที่เราควรจะเอาอย่างแล้วก็เป็นเด็กท่านผู้นั้นมีนามว่าเปรศการีเปรศการีนี่แปลวิรุษาในช่างโหกเมื่อวยนตอนต้นที่องสมเด็จพระทสศพลทรงพบ เ, เธอเธอมีอายุสิบสามปี เป็สมเด็จพระจินทสีหันธ์เดดไปที่เมืองอารวีใช้ตอไ ม, าาม้เป็นธรรมัดสมเด็จพระองค์ามาเล่ ก, กันนาดแปดทักที่นั่นชาวบ้านทราบเข้าก็มาเฝ้าอนำอาหารมาถวายเปสการีลูกสาวคนทั้งหกคนดีก็มาด้วยถวายสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าเสร็จพุทธเจ้าก็ส่งเทศ เพราะกล่าวโดยย่อว่าท่านบอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทั้งหลายจงอย่าไว้ใจในชีวิตจงอย่าคิดว่าชีวิตนี้มันจะทรงอยู่ตลอดการตลอดสมัยความตายจะมาถึงเราเมื่อไรก็ไม่ทราบให้ศักษาความดีมีศีลห้าเป็นต้นและมีความกระตำโยรู้คนเป็นสำคัญ เมื่อสังเกตพระเกวันสนงเกตลับชาวบ้านก็กลับเปสการีก็กลับแต่ว่าชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดฟังเทเสของคสังเร็จพระบรมสุคต์แล้วไม่สนใจตั้งใจจําทิ้งเทงเสขพระเจ้าวไว้ตรงนั้นมีเปรยสการีคนเดียวที่ฟังเทเสของคสังเ็จพระสัมมาทัพระเจ้าแล้วก็จํา จำแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติตามจิกคึ้นคิดถึงอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็จำเลยว่าพระเจา้าสงตัดว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันตรงนี้ความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอก็มหมายความว่าชีวิตที่มันจะตายเมื่อไรก็ได้ ไม่มีใครรู้วันตายแน่นอนถ้ามันยาตายจริงๆก็ห้ามไม่ได้เธอก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติความดีในสิ้นห้าไปการคบทุนและก็มีความกตัญญูรู้คนตวีดาชื่มานดาตายไปนานแล้วพอต่อมาอีกสามปีผ่านไปเธอายุดได้สิบหกปีในคืนวันหนึ่งองสมเด็จปิญนาสี ส่งตรวจดูปณิสัยของสัตว์ก็ปรากฏภาพชัดเห็นหน้าเปรศการีสาวน้อยมาปรากฏจะ่ใ่ขายพยานสมเด็จพระกุศงหมายก็ส่งพยัญชนาคิดว่าเอ๊ะ น, นี่อะไรหนอก็ทราบโดยกำลังข้ามาาพุทธญยานว่าตอนสายวันนี้เปรศการีจะต้องตายเพราะวาระเข้ามาถึงเธอ นี่ละวันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเยนิกว่าพ่อแม่ตายก่อนเสมอไปนี่พ่อยังไม่ตายเป็นสการีจะตายอายุแค่สิบหกปีเท่านั้นกําลังเริ่มเป็นสาวเป็นสาวที่คนกําลังต้องการสเมเด็จพระพุทธมัยก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าถ้าเธอตายวันนี้เธอจะมีคติแน่นอนมไหมถ้าเราไม่ช่วย คำว่ามีคติแน่นอนก็นหมายความว่าต้องไม่ลงอบายภูมิเพื่อไม่เป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตไม่แปลนสุรกายไม่เป็นสัตว์ชนันต้องไม่วกกลับลงอบายภูมิใหม่อีกจะมีการก้าวขึ้นไปสู่เดินเลื่อยไปหาพรนิพพานสำเร็จพระพุทธมายก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอ ถ้าเธอตายวันนี้คติไม่แน่นอนอาจจะไปสวรรค์ก็ได้อาจจะไปนรกก็ได้ก็ทรง่ิจ็นนาต่อไปว่าถ้าเราช่วยเธอจะช่วยแบบไหนที่จะมีผลสมเด็จพระททพรั์ก็ทรงทราบว่าถ้าเราไปถามปัญหาสี่ข้อกับเธอเธอตอบปัญหาสี่ข้อถูกต้องแล้วให้สาลการเคยยอมรับสี่ครั้ง เมื่อครบสี่ครั้งเธอ่าเป็นประโสดาบันวันนี้ถ้าเธอตายตายแจกความมีคนก็จะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นสิทิตเมื่อวันดาสาวกพระธมยัตธรรมสามิตข่าวคขาเลือกันมีคนมาถามบ่อยๆว่าเทวดามีไหมเทวดาไม่มีแต่เรื่องนี้สัเด็จพิะจีนสีทรงยืนยัน ว่าถ้าตัวการีตายเมื่อไร่จะไปอยู่ชั้นดวสิทเมือนนั้นเป็นเทวดาถ้าเป็นนางฟ้าก็ตามก็เรื่องความว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเทวดามีเทวดาท่านหลายที่ฝึกมโนุยิทิได้แล้วก็พบเทวดากันแล้วพบพรหมกันแล้วมีจิตสะอาดเทใดก็พ้นพ่านได้เหมือนนั้นเคยพบน ร, รกเปือเสือกายสับดีฉันมาแล้ว แล้วก็ปุเพนีวาสานิจยานก็ฝึกแล้วตูตูปปาติยานก็ฝึกแล้วแล้วก็ท่านแปดรายการฝึกได้ยังจะสงสัยไหให้เชื่อใครที่เขาพูดไปว่าพระเทวดาไม่มีเพื่อรวมความว่าเทวดา ม, มีเมื่อสำเร็จพิณเสียงสีทรงตัดสินมาไทยว่าถ้าจะต้องไปช่วยเธอจึงไปพระ อ, องค์เดียวไม่ชนใครไปนั่งอยู่ที่เดิม ตอนชเช้าชาบ้านพกข้าเข้าทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็พากันไปที่นั่นนําพระตาหารมาถว า, ายเปรสาการียอดิงคนดีเธอทราบว่าพระพุทธเจ้ามาจะไปหาพระพุทธเจ้ากระแสนล้าบากระหนักใจว่าพ่อให้อาข้าวไปส่งตอนเชานนา้าเมื่อวานนี้พ่อก็สัง่งว่าได้สําหรับพอหกคนเรือน้อย ถ้าลูกมากรอได้ไม่พ่อด้วยมันก็สายกว่าจะกรอได้เสร็จมันก็สายไปหน่อยหนึ่งก็คิดตัดสินใจว่าถ้าเราไปหาพ่อก่อนพระพุทธเจ้าอาจจะกลับไปก่อนก็ได้ถ้าไปหาพระพุทธเจ้าสายแล้วไปหาพ่อสายเกินไปพ่อหิวอาจจะตีจะด่าก็ได้เธ่ก็ตัดสินใจว่าพ่อจะตีจะด่าเป็นหน้าที่ของพอ่อเพราะเรามีความผิด ต้องไปเฝ้าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิคีพระพุทธเจ้าก่อนพราะเจ้ามันพบยากว่าสามปีพบแล้วครั้งหนึ่งมาครั้งี้ปีนี้จะไดยพบแล้ม า, ายยอยไรจะไปพบอีกก็ไม่ทราบเธอจึงตัดสินใจไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่าเจ้าก่อนสำหรับสมเด็จปัญญนวรก็เช่นเดียวกันเมื่อฉันพัตตาหานเสร็จมองไม่เห็นเปรศการีก็ไม่ยอมเทศ โซนเราเลยว่าเรามาเพื่อบคุคคลผู้ใดถ้าบคุคคลผู้นั้นยังไม่มาเราจะไม่ยอมเทศใดคายเมื่อสำเร็จพระพุทบริเวณโลกกันนาถเห็นเธอมานั่งหลังท้ายบริษัทสำเร็จเป็นทรงสวัสด์ที่นี่มองหน้าเธอเธอก็มองหน้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เข้าไปใกล้ ทั่นี้ขอไปกับท่านผู้ใหญ่ขอเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเพื่เข้าไปใกล้แล้วนมาส ก, การคือกราบองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วพอกราบแล้วสมเด็จพระพูทมีพระพ่พะพายเจ้าทรงตถามว่าภคินิโดรก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนโดยพระกาลีกราบโถนองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะ พระเจ้าก็ถามต่อไปว่า brid? เธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอกลตอบว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอกลัตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าข่าเมื่อเธอตอบสี่คำพระพุทธเจ้าก็ใสาธุการยืนยันว่าถูกต้องแต่ว่าชาวบ้านโกรธที่ว่าอีเด็ก แค่รุ่นรุ่นเด็กๆขนาดนี้มันล่อลวงสมเด็จพระจินนาสีคือพระพุทธเจ้าก็พากันดา่าสมเด็จพระเบอรมันายสัดาวก็ทรงห้ามมาฟังเขาก่อนแล้วองค์สมเด็จพระจินวรสก็ทรงตัดถามว่าที่ตาถามคดถามเธอนะว่าเธอมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบหามายเขาอย่างไรเธอก็ตอบว่าที่พระองค์ถามไม่ได้หมายถึงว่ามาจากบ้าน การมาจากบ้านพระองค์ทราบเรื่องน่าของพระตุยานแล้วแต่พระที่สังเ็จพระที่แก้ถามว่ามาจากไหนนั่นหมายความก่อนเกิดมาจากไหนม่อสม์สายไม่ทราบประโยคค่ะสังเกตพระลอยใส่าก็ายกมือขั้นพนุ่งในสาวาทุถูกต้องแล้วแล้วสังเกตพระพระที่แก้วกถามต่อไปว่าที่ตาคาคุถามเธอว่าจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไง เธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันจะไปรงทอโหกของพ่อท่อานทราบแล้วแต่ที่สําเร็จท้าวที่แก้วถามอย่างนั้นหมายความตายแล้วจะไปไหนหม่อมฉันไม่ทราบป พ, พิจ า, ารณาท่าก็สาทุอีกท่า น, นถามว่าแตถาวโคตถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอทราบหมายความาว่ายังไรเธอก็ตอบว่าที่บอกทราบก็บหมายความว่าชีวิตนี้ต้องตายแนใ่ พ, พิจ า, ารณาทราบพคตรแยกก็สาทุ พระเจ้าถามว่าข้อที่สี่ถามเธอทราบหรือเธอตอบไม่ทราบหมายความว่ายัางไงเธอตอบว่าเวลาที่จะตายไม่ทราบพระเจ้าก่จะตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายวันนี้พรุ่งนี้อะไรก็ไม่ทราบพระจพเจ้าค่าพระเจ้าทรงใสาธุ ก, การเธอปลื้มใจเวลานั้นก็เลยเป็นระโศดามัน ความจริงการเป็นประโสดาบันของเธอนรมารอดอยู่แล้วเธอมีความเคารพต่างพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความคิดแน่นนอนชีวิตมี้ินของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอคิดมาเสมอและก็มีความกระตันโยทุกคนก็จะเป็นประโสดาบันอยู่แล้วมีชิ้นห้าบริสุทธิ์ด้วยแต่จิตยังไม่มั่นคงในผพานพอพบองค์สำเร็จพระพุทธธรรมหมายเข้าก็มีความมั่นคงในจิตเป็นประสดาบัน แล่พระก็เลยเจ้าเสด็จกลับเือก็ไปโรงโทอาบกพ่อนั่งคอยลูกสาวหลับมือหนึ่งจับปื้มเพื่อเพียมกระทบมือหนึ่งจับ ก, กระสวยเพื่อจะพุ่งหลับใจคิดว่าจะพุ่งกระสวยเมื่อจะกระทบลูกสาวเดินไปไม่ทันสังเกตไปกระทบฟื้มฟลื้มไหวเขาหน่อยเดียวพ่อตื่ก็เลยพุ่งกระสวยแรงไปไม่รู้ว่าลูกสาวมา เูกไอ้ก๋าสวยก็เลยพุ่งเลยไปโดนอกของเธอล้ม ล, ลงขาดใจตายนี่ระบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตคือมันเป็นของไม่เที่ยงในความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงใจคิดว่าชีวิตนี้มันจะอยู่ตลอดไปกี่วันกี่คืนให้คิดว่าความตายจะมีวันนี้ไว้เสมอแต่ก่อนที่จะตาย กำลังใจตั้งแต่บัดนี้คือยึดอารมณ์เขามาโสดาบันไว้คิดว่าชีวิตนี้ยังไงยังไงมันก็ต้องตายเราจะคารวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความมั่นคงจริงๆพระบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทรงสินให้บริษุทธิ์โเฉพาะอย่างยิ่งสินห้ากับกรรมบทสิบล้วก็คิ ด, คดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไรเขาไปในผ่านเหมือนนั้น สมหรับพิโสสมเนงคอรักษาทรงสิงองท่านไว้ท่านมีสินอะไรพระสองร้อยี่สิบเจ็ดสมเนงสิงสิบทรงให้คงตัวอย่างนี้จะไม่มีไ ม, ไม่ไม่พ้นความดีแน่ขึ้นชื่อว่ า, บายบพงจะไม่พบกับพวกท่านแน่นอนอรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคุยมาคุยไปมันก็ยามมากเกินไปนี่เราคุยกันก่อนนอนเขาเราธรรมะก่อนนอน ดันนงนั้นตอนนี้หมดเวลาก็ขอลาก่อนขอรัตนาบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่คุ้มครองบรรดาท่านพุทธบริสัทธทั้งหลายให้ปลอดภัยจากอันตรายอันตรายทั้งปวงทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไบรปิฎศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความมหวังตั้งใจอย่สงเคราะห์พวกท่านให้มีความสุขขอบรรดาท่านทั้งหลาย จึงสามารถทรงทานั้นได้ในโดยัปพญในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี